วิธีทำให้จิตแข็งแรงไปยังไงก็ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ต้องทำจริงนะไม่ใช่ทำเล่นๆทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วบอกอุยฉันไม่ก้าวหน้าเลยวันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงเราทำวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเราสร้างให้เราแข็งแรงกี่ชั่วโมงแล้วเราสร้างกรรมกี่ชั่วโมงเห็นไหมดึงชักกระเยอะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะไปไหนนะสูบลุกโป่งดีๆเป่าเปลาเปาเปเปาเป อะไรนะแฟบเห็นมแล้วก็มานั่งเป่าเป่าๆอีกอะไรนะแฟดกาลังเป่าอย่ดีๆฉันจะไปเที่ยวนั้นไปไหมไปแฟดแล้วไปเอากิเลสเข้ามาอีกก็มานั่งเป่าใหม่อีกแล้วบอกว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหนะ้าอย่าค้ากำไรเกินควรวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงต้องปฏิบัติยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องไม่มีรูรั่วเลย แต่ปฏิบัติไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ที่ศาลาอย่างเดียวเอาละศาลามีเช้าสายบ่ายเย็นสี่เวลาแต่รวมกันแล้วหกชั่วโมงถ้าหกสี่ยสี่หนึ่งในสี่เท่านั้นแค่นี้ไม่พอนะออกจากศาลาก็ต้องปฏิบัติต้องอยู่ปัจจุบันตลอดมีสติตลอดต้องอยู่ในทานศีลภาวนาตลอดโดยเฉพาะเราให้ทานบ่อยๆ เรี๋ยว่พราเราเป็นพี่เลี้ยงนะเออเราก็ปฏิบัติด้วยเขากิ่งมาแล้วก็วิ่งไปกันเขาเราใช้แรงงานเราเนี่ยเป็นทานบางทีเขากิ่งมาแรงก็เผลอปุ๊บเตะเราด้วยเราก็ให้อภัยทานเราได้หมดเราได้วัตถุทานใช้แรงงานเป็นทานเราให้ธรรมทานนะ เป็นกำลังใจให้เขาบางทีเราเหนื่อยบ้างเขาเขาเผลอเลยนะไม่มีใครตั้งใจเตะเราหรอกแต่ว่าเราต้องรับกรรมตอนนั้นนะเราเหนื่อยเขายังทำให้เราเจ็บอยู่เนี่ยเราก็ต้องให้อภัยทา น, นอันนี้นะ่ะคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งเล่าหลับหูหลับตาอย่างเดียวนะมันยังไม่ครบองค์ปฏิบัติธรรมคือมรรคผลนิพพานการเจริญมรรค คือการปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานไม่ใช่สติผลนิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพานแต่ตอนนี้การปฏิบัติธรรมไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบปุ๊บไปฝึกสมาธิจเจริญสติบอกปฏิบัติธรรมยังไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่ฝึกวิชาสมาธิฝึกวิชาสติเท่า น, นั้นเองยังไม่ใช่ปฏิบัติธรรมพราะฝึกวิชาสมาธิสติทําำไปทำมาสงบปีมากก็ไปติดสงบไปติดสุขในฌานอีก อันนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อันนั้นเป็นหลงชานไปหนีความจริงไปหนีเข้าไปอยู่ในถ้าข้างนอกกระทบเราเราก็ได้ความสงบชั่วครู่แต่ยังไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องการเจริญมรรคเจริญมรรคเมื่อเราเจริญมรรคมันก็เกิดผลเหมือนเก้าอี้นี่มันสะอาดเพราะเราเอาความสกรปรกออกบ่อยๆเห็นไหม เอาความุกบบอกเบยๆปุ๊บเนี่ยผลคืออะไรมันก็สะอาดนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปฝึกวิชาน่นวิชานี่ใช้เทคนิคนั้นใช้เทคนินีฝึกให้มันมีสมาธิให้มันมีสติพราะครูบอกแล้วว่าโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้นมันปนไม่สำเร็จนะเราไปเข้าใจว่ามีสติปุ๊บจบปลอดภัยเข้าใจผิด โจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้นมันพ้นไม่สําเร็จเขายิ่งต้องใช้สติสมาธิมากกว่าพวกเราอีกเพราะมันก็ต้องขโมยธทำมันต้องระวังมากกว่าเราแต่โจรเขาไม่มีศีลเขาไม่มีปัญญาเขาจึงใช้สติใช้สมาธินั้นไปเบียดเบียนไปสร้างกรรมใหม่ทีนี้เราก็เคยคุ้นเคยว่ามีสติแล้วก็จบเธอต้องมีสตินะมีสตินะทุกคนมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแต่มันไม่พอ สติเรากำลังมันหกสิบไปเจอกิเลสมันสร้างอารมณ์อยากมาแปดสิบแพ้มันเขาเราียกว่าขาดสติสติมันมีอยู่แต่มันขาดกำลังมันสู้อารมณ์ไม่ได้เห็นหถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เรามีอารมณ์คือเรามีกิเลสกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดทุกข์ ถ้าเรามีสติปุ๊บเราก็รู้เท่าทันกิเลสในเวลานั้นถ้ากิเลสมันไม่แรงโอเคเรารู้เท่าทันเราระงับมันได้มันก็พัฒนาไปสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าเราทำได้แค่นั้นเราก็เป็นคนไม่ทุกข์ในเวลานั้นเท่านั้นเองแต่เราไม่พ้นทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์มันแค่ไม่ทุกข์แต่มันยังไม่พ้นทุกข์เห็นหแต่ถ้าเราพัฒนาไปถึงปัญญา เห็นไหมศีล ส, สมาธิปัญญาสติอยู่ไหนไม่มีถ้าสติสำคัญไม่สำคัญสำคัญกว่าศีลไหมไ ม, ไม่สำคัญกว่าสมาธิไม่ไม่สำคัญกว่าปัญญายิ่งไม่เลยสติมันเป็นมันก็อยู่กับสมาธิแล้วเรามีสมาธิตั้งมั่นสติก็ตื่นรู้มันอยู่ด้วยกันขับรถไปมีสมาธิตั้งมั่นปุ๊บสติก็ตื่นรู้ถ้าขับไปด้วย ฟังโทรศัพท์ไปด้วยคิดไปด้วยพูดไปด้วยนะอารมณ์มันแทรกสติมันไม่เกิดเพราะว่าสมาธิมันไม่มีนะแต่สติเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการเจริญมรรคเป็นหนึ่งในแปดแต่ตอนนี้สังคมบ้านเราเนี่ยเราเอาสติมาเป็นพระเอกเอาเป็นพระเอกเลยละ่ะเอาเป็นเป้าหมายเลยไปที่ไหนก็ฝึกสติ เราไม่เราไม่เข้าใจทาว่าปฏิบัติธรรมเข้าใจว่าฝึกสมาธิจเจริญสติคือปฏิบัติธรรมไปวางตัวนั่งขังกันปิดวาจาสิบวันไม่พูดดีจังเลยไม่สร้างวัีกรรมแต่ลับตาอยู่ไม่รู้คิดอะไรคนอื่นไม่รู้ไงขโมยคิดสร้างมโนกรรมตลอดสบายสบายไม่ได้ยินใครว่าอะไร เราก็ไม่ได้ว่าอะไรสบายสบายพอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นมันไม่ได้พูดมาสิบวันนี่ ป, นปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหิวก็กินง่วงก็นอนมันอยากจะร้องก็ร้องออกมาเลยนะมาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะมีอะไร อ, ออกมาให้มันหมดแล้วกลับบ้านมันจะได้ขี้เกียจพูด อันนี้ไปกดมันไว้กดมันไว้มันก็สบายชั่วคู่ไงเพราะเธอก็ไม่ได้พูดฉันก็นไม่พูดฉันไม่ต้องได้ยินใครไม่ต้องหงุดหงิดสบายสบายไงปฏิบัติธรรมแบบนั้นแต่พอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นเพราะไม่ได้พูดมาสิบวันอันนั้นเขาไม่ไเรียกว่าปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเข้าคอร์สฝึกวิชาปิดวาจาฝึกวิชาสมาธิฝึกวิชาสตินะก็เข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมคืออะไร ปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพานแต่การเจริญมรรคต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาต้องใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชำนาญ น, นะนี่ต้องเข้าใจนะแล้วก็เมื่อกี้พอกูบอกว่าตอนนี้ยุคนี้เนี่ยห้าปีจากนี้ไปเป็นยุคทวงนี้นะ ไม่ต้องรอชาติหน้าละเอามันชาตินี้ละขึ้นมันแรงมากเราหยุดขึ้นนี้ได้ไหมไม่ได้ตัวใครตัวมันอัตหิอัตโนานาโถไม่มีใครช่วยกัได้พึ่งตนเองยิ่งสิ่งแวดล้อมเปลื้อนแค่ไหนเราต้องฝึกให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากแค่นั้นนะมันจะผ่อนหนักเป็นเบาเท่านั้นเอง เพื่อพวกครูบอกนโลกแตกเราก็ตายโลกไม่แตกเราก็ตายตายแน่ๆมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองใช่ไหมตายดีคือไม่ทุกข์ไปสู่สุคติตายชั่วทุรนทุลายเพราะมันยังไม่พร้อมที่จะตายนะแต่ถึงจะไม่ตายก็ช่างนะจากนี้ไปเนี่ยโลกมนุษย์คาว่าโลกของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่โลกใบนี้นะโลกใบนี้เป็นของสรรพสิ่งไม่ใช่ของมนุษย์ แต่ในกรอบของโลกมนุษย์มนุษย์เราสร้างกรรมทำลายสิ่งแวบดบลอ้อมเอาเปรียบสร้างเวรสร้างกรรมกันเนี่ยเราก็ต้องรับเคาะกรรมนั้นถ้าตอนนี้เราไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะร่ว ง, ง่ายๆเราจะถูกไฟที่เป็นมารเนี่ยมันมาครอบงำนะตัวเราเองเนี่ยก็ปัญหาเยอะแยะละปวดท้องก็ทุกนะปวดหัวก็ทุกกุ้มใจก็ทุกเสียใจก็ทุกถ้าเราเผลอปุ๊บ เราจะไปสร้างกรรมใหม่สร้างเงื่อนไขใหม่มาแล้วก็เอามาแบกเอามาหามนะแตพราะตัวเราเนี่ยเอาไม่อยู่นะเพราะขึ้นมันขึ้นเวียนขึ้นกรรมเรามันจะช่วงถือโอกาสช่วงนี้นะที่มนุษย์เรากําลังอ่อนแอทางจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมาครอบงําเรานะเพราะครูไม่ได้ลงรายละเอียดถ้าจะพูดมันพูดกี่ปีก็ไม่จบหลาที่ว่า ขึ้นช่วงนี้ตั้งแต่เข้าพรรษามานี่นะพ่อครูเบรกไงมนุษย์กำลังท่อกันอยู่ทกันอยู่แล้วจะไปแสดงธรรมได้ไหมเขาฟังหรือเปล่าไม่ฟังหรอกฟังก็เข้าหูซ้ายออกหูขวานั่นแหละนอกจากคนมีบุญจริงๆเท่านั้ น, นก็ก็บังเอิญเกือบห้าปีพดอดีที่พรอครูออกไปทำหน้าที่มันเป็นช่วงๆควอเตอร์ละห้าปีห้าปี แต่ห้าปีจากนี้ไปพรอครูบอกแล้วไงพวกเราอย่าประมาทเดี๋ยวกิเลสในใจเราก็มีอยู่ไอ้ข้างนอกมันกระทบมันก็จะมีข้ออ้างโน่นอ้างนี่ทำให้เราหลุดออกจากมรรคจากหนทางโดยเฉพาะคนที่อยู่ในศูนย์นะมารตัวใหญ่ของพวกเราทุกคนก็คือคนนั่งอยู่ที่นี่ตัวใหญ่ที่สุดเลยละ่ะนะ เพราะมันมันไม่ชอบพ่อครูหรอกเพราะพ่อครูเห็นมันไงบางคนน้อยใจทําดีแล้วไม่ได้ดีนะยังถูกว่าอีกนะไม่มีใครเห็นใจเราเลยนะเราน่าสงสารคนนั้นก็น่าสงสารพวกครูบอกว่าเราเนะี่ยยังไม่เห็นใจตัวเองเลยใครจะไปเห็นใจเราทําให้ตัวเองทุกข์อยู่ตรงนั้นไง เพราะครูเห็นใจทุกคนเข้าไปในใจทุกคนได้จึงไม่ตามใจไงมีแต่กิเลสทั้งนั้นน่ะกิเลสมันไม่ชอบไงถ้าวิชาเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งนี่ยวิชาอะไรวิชาสยบมานถามว่ามานมันชอบไหมไม่ชอบหรอกมันอยู่ดีๆของมัน่ะจะไปเบี่ยงมันทิ้งมันบอกแน่เหรอถ้าไม่แน่จริงนะมันจะเบี่ยงเราทิ้งมันจะเบี่ยงเราออกนอกทางโดยเฉพาะยุคนี้นะ เป็นยุคมานของเมืองมานของโลกเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันไปไปตามเหตุและปัจจัยเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้มีความแข็งแกร่งเมื่อกี้ก็คุยกญาติธรรมมันแว บ, บขึ้นมานะเ <c oughs> มฆหมอกลอยไปลอยมาฟ้าย่อมเป็นฟ้า บางคนเห็นบอกพระครูเปลี่ยนไปนะพ่อครกูก็เปลี่ยนไปก็มันแก่ขึ้นไม่เคยเห็นผมยาวยี่มห้าปีมันไม่ตัดเอกดื้อเนี่ยก็ไม่ตัดก็ไม่ตัดตำรวจก็ไม่จับนะไม่ต้องขอวีซ่านะแต่ทุกคนรู้สึกมันเปลี่ยนไปก็นั่นไงต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงร่างกายพ่อครูเปลี่ยนศูนย์เปลี่ยนแต่จิตใจพ่อครูเนี่ยไทยก็เปลี่ยนไม่ได้เมฆบอกมาลอยไปลอยมามันไปตามกฎพระไตรลักษ ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ฟ้าย่อมเป็นฟ้าฟ้ามันเปลี่ยนไม่ได้คนนั้นมาคนนี้ไปคนนี้ไปคนนี้มาคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่เอาไปเปลี่ยนกับเขาเราไม่มีเขาอ้างถ้าเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราจะถูกอารมณ์นั้งครอบงำก็อ้างโน่นอ้างนี่ โอ้ยสูนยนี้ไม่เหมือนเก่าสมัยก่อนดีดีดีคืออะไรมันเงียบถ้าทุกคนสมัยก่อนจริงๆเลยดีกว่านี้อีกถ้าหมดถึงดีเหมือนเราอะเพราะเราขี้เกียจยุ่งกับคนเราก็อยู่เราก็หนีมาวุ่นวายแล้วก็อยู่ที่นี่เงียบๆไฟฟ้าก็ไม่มีงไงสงบเย็นอีกแบบหนึง่งมันก็ดีแต่แต่ความดีไม่ได้หยุดแค่นั้นมันต้องดีกว่าเก่า ก็ให้คนอื่นเขามีโอกาสมาเสพความดีด้วยถ้าเราแจอความดีไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราไม่ก้าวหน้าหรอกเพราะเราให้ไม่ได้เห็นไหมเอาความดีที่ตัวเองชอบจิเลดชอบคนงานที่นี่เฮ้ยว่ามันเดินนั่งพวกครูไม่เคยสอนเขาอะไรเลยเนี่ยดูถูกครูบาอาจารย์เราสอนแล้วเป็นยังไงพาะเราหนีมาทาไม ก็เราสอนแล้วทะเลาะกันไงทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมงืองทั้งครอบครัวไงยิ่งพูดยิ่งขัดแยง้งบางอย่างสอนโดยไม่ต้องสอนอุเบกขาคือนิ่งคือให้อย่างเดียวเท่านั้นความขัดแย้งก็ไม่เกิดขึ้นเรากลัวได้เปรียบเสียเปรียบไงอุยจ้างมาแล้วมีแต่นั่งมีแต่นั่งมีเงินเยอะๆนี่จ้างใะไรเนั่งเฉยๆนะอย่าให้ไปสร้างกรร ม, มนี่ได้บุญแล้ว เราลองไปตากแดดดูหน่อยสักสิบนาทีพวกเราเนี่ยลองดูไหมเราจะดูว่ามันทุกข์แค่ไหนพอเห็นเขานั่งหน่อยก็อู้ร้อนเนี่ไม่ถูกถูกผิดอะไรแล้วเนี่ยทำไมนั่งไม่ดีอะไรเขานั่งเขาก็ดีแล้วไงแต่เขาตีหัวคนอื่นอ่ะไม่ดีเขานั่ง เ, ยเฉยๆก็ดีแล้วไงเราก็ได้ทำบุญไงตัวเองให้ไม่ได้แล้วไปมองในสานะที่กิเลสมอง มองไม่กระทั้งฆ่าโทษครูบาอาจารย์อีกสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนนะการที่ศึกษาจิตต้องแก้งโง่บ้างอย่าอวดฉลาดมันจะไม่ก้าวหน้านะครูบาอาจารย์เขาทำอะไรเขามีนัยยะของเขาแต่บางอย่างมันไม่ได้พูดด้วยเหตุผลแบบตดกะเขามองเข้าไปในจิตถ้าคนพวกนี้เนี่ย เขาทิ้งลูกเมียไปทำงานกรุงเทพเขานั่งอยู่ที่นี่เขานั่งกรุงเทพแต่กรุงเทพไม่นั่งเฉยๆนั่งกินเหล้าด้วยและสุดท้ายก็อย่าล้างกับลูกเมียด้วยมันดีไหมเหมือนมีคนเขาไปถามหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อทำไมปล่อยให้แม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ที่หน้าวัดหลวงพ่อคูณบอกวนะ่ามึงจะให้มันเป็นโจรบอกมันขายลอตเตอรี่ก็ดีแล้วไงไม่ได้ไปตีหัวใคร แต่เราเอาถูกผิดที่ทะเลาะกันทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราไปติดถูกแล้วไม่ดูว่าตัวเองเนี่ยทาถูกแค่ไหนทําดีแค่ไหนหรือยังไม่ทําอะไรเลยก็ให้ไม่ได้งไงแล้วไปมองว่าคนอื่นผิดเห็นไหมรักชาติไม่ต้องทะเลาะกันนะรักชาติมาช่วยพ่อครูเนี่ยเนี่ยเยาวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติเด็กนักเรียนเจ็ดแปดร้อยคนลูกคนจนหมดน่ย รักชาติไม่ต้องทะเลาะ ก, กันอ่ดแรกต้องไม่ทะเลาะ ก, กันก่อนแล้วจะเอาอะไรมาก็คุยกันสิอันนี้ถูกผิดดีชั่วทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นน่ะแหละเห็นไหมคนข้างนอกเขาไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องปกติเป็นวิสัยของโลกิยะวิสัยเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นไปตามกรรมเราขึ้นชื่อว่าผู้เดินทางแล้วเนี่ยอย่าขยันคิดอย่าขยันพูดมากเกินไปพูดออกมามันเป็นวจีกรรมนะ ไม่ใช่เรื่องดีทำดีอย่าไปติดดีทำดีก็ดีแล้วอย่าทำชั่วทำดีก็ดีแล้วไปทำชั่วอีกมันเล่นชักเขยร์แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดนะศูนย์เหานี้จริงๆเรามีเครื่องมือนะเป็นที่สัปปยะเพราะคูสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาที่คำว่าสถานที่สัปปยะไม่ใช่อยู่ในป่านะเงียบๆอย่างนั้นไม่ใช่นะ เงียบๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินทุกทรมานก็ต้องไปเสียเวลาทามาหาไปไปหากินอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่สัพะยะที่สัพยะคือมีอยู่มีกินมีปฏิบัติไม่ต้องกังวลที่นี่มีหมดแต่ที่เรากังวลเราหาเรื่องเองไม่มีเราก็คิดไงคิดไปมองคนอื่นคิดจับถูกจับผิดกันอย่างนี้นะ่ะเราเองทำตัวเองไม่สัพยะเหมือนหลายปีก่อนมีลูสีตนหนึ่งมาที่นี่ อาจารย์มหาสีภัยพามาก็นั่งทะเลาะ ก, กันทุกวันเป็นลือีดีกว่าเป็นผ้าดีกว่าเถยงกันอยู่ตรงนั้นแหละเห็น ไ, ไหมแล้วมาถามพ่ะครูพ่ะครูเป็นอะไรดีกว่าว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเป็นคืออัตตาไงเป็นอะไรก็ไม่ดีแต่ที่เราเขาเรียกว่าเราเป็นตามอาชีพเราเนี่ยก็เป็นแค่ชื่อสมมติ แต่เราอย่าไปหลงมาเนี่ที่หลงกันนะเถียงกันว่าเป็นท่าดีกว่าคนเขาเชื่อถือมากกว่าเป็นฤาษีดีกว่าไม่มีเงื่อนไขไมันมีกติกาอิสระกว่าเห็นไหมมาถามพ่อครูไงพรอครูว่าเป็นอะไรดีกว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีแล้วเป็นคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดีไม่ดีนะมันเกิดมาเขาสมมติว่าไอ้ดินน้ำํำลมไฟที่มันเกาะกันอยู่นี่มีจิตวิญญาณอย่างนี้เนี่ย นะเราถูกตั้งชื่อว่าชื่อบัญชาเนี่ยเขาเรียกว่าคนแต่ถ้ายังพอใจในความเป็นคนอยู่มันก็เวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไม่ดีเราต้องพัฒนาคนให้กลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐก้าวไปสู่อริยบุคคลตอนนั้นไม่เป็นอะไรเลยใช่น ไ, ไหมถามพ่อครูได้เป็นอะไรดีกว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเห็นเราติดถูกติดผิดติดดีไง ฤศีเขาก็ดีในในัยยะของเขาว่าเออเขาอิสระครูบาอาจารย์เป็นพิกสุตสองเขาก็ดีในยะของเขาก็ต่างคนต่างดีอย่าไปทะเลาะ ก, กันแล้วถามพ่อครูอีกพ่อครูกินเจไหมบอกไม่กินพ่อครูกินมังสวิรัติมนันไม่กินฤศีนะเขาถามนะพ่อครูกินเนื้อสัตว์ไหมไม่กินอีกพ่อครูกินอะไรกินอาหารบอกอย่างมากเรื่อง กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินไปไหนก็หิ้วเจไปด้วยไม่เรียกว่าวางในหิว้วแบกอย่าไปติดชื่อนะกินอาหารที่มันเหมาะกับธาตุของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพระโพธิสัตว์กวรอิมถือศีลกินเจพระโพธิสัตว์พระพระมหสอรหันจี้กงกินเหล้ากินเนื้อสัตว์มันเป็นเรื่องจริตไม่เหมือนกันอย่าไปเถียงกันมันเป็นนาน า, นาจิตตัง มันไม่มีสาระอะไรหรอกมันไม่เกี่ยวกับจิตสําคัญว่าจิตอย่าไปติดมันถ้ากินเจแล้วไปอวดว่าอู้ฉันกินเจฉันบริสุทธิ์พุทธิไม่เจแล้วจิตเปื้อนแล้วมันไปติดเจเมื่อไหร่มันไม่ใช่เจเจคือความบริสุทธิ์ของจิตเห็นไหมเขาจะกินเหล้าเขาจะกินเนื้อสัตว์อะไเขาไม่เคยไปเบียดเบียนใครเลยอรหรันต์จีคนเนี่เคยไปตีหัวใครไหมเมาไปก็ไปช่วยเหลือคนตัวเมาแต่จิตไม่เมา ก็เป็นเรื่องของท่านเขาก็ยกตัวอย่างให้เราดูอยู่แต่เราก็ไปติดไงทะเลาะ ก, กันเนี่ยพระเราติดกลายเป็นอุดมการณ์ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดตัวเองว่าฉันคิดถูกมันคิดผิดคําว่ามันคิดผิดนี่วัจีกรรมแล้วเราไปปามาศคนอื่นเห็นไหมโลกทั้งโลกนี้มันถึงทะเลาะมันมันถึงวุ่นวายกันไปหมดผู้เจ้า ก, ก็ชี้ทางให้ว่า แก้ปัญหาเหล่านี้โดยให้อภัยทานอย่างเดียวเท่านั้นคือเอาหสิกรรมเวนย่อมรังงับด้วยการไม่จองเวนไม่งั้นมันหยุดไม่ได้อิสราเอลก็ดา่าปาเลสไตน์เธอฆ่าพ่อฉันก่อนปาเลสไตน์ก็บอกว่าเธอฆ่าแม่ฉันก่อนแล้วยังไงถ้าไม่หยุดฆ่าเดี๋ยวลูกหลานมันก็ฆ่ากันต่อไปเนี่ยเราลักลูกหลานเราจริงไหมมีทางเดียวเท่านั้นก็คือหยุดก็คือเอาหสิกรรม อย่าไปแย่งงานยมพบาลทำยมพบาลโกรธมากเราไม่ให้ยมพบาลจะไปชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นเราทำดีหรื อ, อยังไอ้คาว่าถูกเนี่ยเราถูกหรื อ, อยังจริงๆไม่เคยทำดีเลยแต่ก็ไม่เคยทำชั่วเลยอันนี้อีเวนเสียชาตินึงไปเท่ากับลิงเท่ากับลิงเง ลูกเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะนัยยะที่แม่เป็นคนดีนะี่คือว่าอย่าทำชั่วให้แม่เดือดร้อนเท่านั้นเองไม่เคยมีเวล า, าหาพาลูกไปทำความดีเลยก็เราไม่เคยให้ความดีคือการให้ทานวิธีทำความดีเนะี่ยคือทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานไม่ใช่ว่าเป็นแค่ไม่ชั่วนะพระครูยุคสมัยเป็นหนุ่มๆนั่นเคย รวมตัวไปเล่นการเมืองกับเขานั่นแหละไอ้นักการเมืองมันก็ด่ากันว่ามันซื้อเสียงมันชั่วมันเลวลเงินเขาเรียกว่าความดีสู้สู้เงินไม่ได้พวกครูบอกไม่จริงไอ้คนที่พูดอย่างนี้นะ่ะอาจจะไม่ชั่วแต่ยังไม่เคยทําความดีอะไรเลยเขาจะไปเลือกคุณต่อไหมอ่ะคุณไม่เคยทําความดีอะไรเลย คุณก็อ้างว่าความดีสู้เงินไม่ได้คุณลองทำความดีสินะคนเขาก็มีจิตสานึกแต่เราไม่เคยทำความดีแต่เราไม่ทำชั่วตอนนั้นเองอันนั้นคุณไม่ได้เป็นคนดีคนดีจริงๆคุณต้องทำดีการทำดีคือวัตถุทานธรรมทานอภัยทานผู้เจ้าก็ชี้ทางอยู่แล้วการทำความดีเนี่ยง่ายๆการให้วัตถุเป็นทานเรียกว่าวัตถุทาน ไปทำบุญเลี้ยงพระไปสร้างวัดไปสร้างโรงเรียนไปช่วยเหลือไปให้เด็กได้ยากจนไปช่วยเหลือคนทุก้ด้อยโอกาสเป็นการให้วัตถุทานเพราะครูนั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องเสียสตังเสียเวลาเสียพลังงานคำพูดได้ให้ธรรมทานผู้ทีหนึ่งได้ยินตั้งเป็นร้อยถ้าถ่ายทอดไป เป็นแสนเป็นล้านบุญกุศล น, นี้มันตีวงกว้างมันได้อา น, นิสงเขาบอกว่าให้ทําเป็นทานยิ่งกว่างให้อย่างอื่นแต่ยังน้อยกว่าให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวบางคนงงนะเพราะครูบอกให้ธรรมทานมันได้เยอะไงคืออา น, นิสงมันเกิดขึ้นกับวงกว้างแต่คนที่ให้เนี่ย ได้น้อยกว่าให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวซว่าวัตถุทานเนี่ยซึ่งว่าช่างกิโลวิทยาศาสตร์บอกช่างตวงวัดได้นโอเคให้วัตถุทานเนี่ยช่างได้สิบกิโลสมมุติเป็นสมมุตินะให้ธรรมทานเนี่ยสมมุติว่าได้สามสิบกิโลได้มากกว่าวัตถุทานแต่บวกกันแล้วก็ได้แค่สี่สิบ แต่ให้อภัยทานแค่คนเดียวแค่ครั้งเดียวเนี่ยไปชั่งกิโลได้หกสิบกิโลทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสำหรับคนให้นะคือเรายกภูเขาออกจากอกยกความพยาบาทออกไปอยาเอาแบกมันข้ามภพข้ามชาติทุกวันนี้เห็นไหมวัตถุทานกว่าจะได้วัตถุมาต้องเสียเงินไปเรียนหาวิชาหาเงินพอจบวิชาแล้วเอาวิชามาทำงานกว่าจะได้เงินมา ยังอุษบาแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปให้เป็นอุบายวิธีขัดเกลาจิตให้ผ่องใสยอย่างหนึ่งขัดเกลีความโลภความตณีมันก็เบาไปสิบกิโลแต่ไม่ใช่ว่ามาทําบุญกับให้พุทธเจ้าร้อยหนึ่งสาธุให้ถูกระวันที่หนึ่งไอนี้ค้ากําไรเกินควรเอาออกไปสิบกิโลมาเพิ่มมาอีกเก้าสิบยิ่งหนักกว่าเก่าแล้วไปนั่งลุ้นอยู่นั่นแหละลตตอรี่เมื่อไหร่จะออก อันนี้ไม่ใช่บุญนะบุญคือเบาบาปขึ้นหนักท ำ, ทำบุญทำบุญมีแต่สาทูขอโน่นขอนี่นะมันมันเป็นบุญกิริยามีมีเด็กสาวคนหนึ่งเป็นคนรับใช้คุณนายผู้หญิงกลางคืนก็สั่งเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมานึ่งข้าวนะแล้วก็ไปใส่บาตรตอนเช้าพระเดินข้างเช้าเนี่ย คุณนายสั่งพุกบไปนอนพุกคุณนายได้แล้วได้บุญแล้วแต่เด็กคนนี้นี่มันนอนยังไม่อิ่มเลยมันถูกบังคับให้ตื่นตีสี่ทำไปด้วยก็บ่นไปด้วยแล้วก็ไปใส่บาต ท, ทุกเช้ามีคนไปขโมยถ่ายวีดีโอนะโอ้โหเด็กคนนี้มันทำบุญทุกวันเลยมันได้บุญไหมไม่เขาไม่อยากทำหรอกเขาถูกบังคับให้ทา กมชีเกเจตนาเป็นบุญกิริยาเป็นแค่กิริยาในการทำบุญอ้าวทาบุญสร้างถนนในศูนย์รอตั้งนานไม่เห็นประกาศชื่อสักทีหนึ่งทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญนะมันเป็นบุญกิริยาแต่ไม่บุญไปใช่บุญกุศลจิตไม่เป็นกุศลเลยมันทำเพราะความอยากนะ มันตามบุญเนี่ยมันไม่ใช่บุญมันเป็นบุญกิริยาแต่ไม่ใช่บุญกุศลเห็นมถ้าเราทำด้วยกุศลและจิตนะเราให้เป็นการสลัดความโลภความตนีออกบุญคือเบาได้ลนะเด็กในศูนย์เราสองศูนย์เนี่ยเจ็ดแปดร้อยเราให้เขาทุกวันเราก็ได้แล้ว เขาดีขึ้นกนุโมทนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยถ้าเราให้เพราะเราจะช่วยเขานี่เรามีอามิตแล้วเราหวังว่าเขาจะดีขึ้นพอดีขึ้นเราปลื้มใจปราบปื้มดีใจพอไม่ดีขึ้นก็เสียใจจิตมันไม่ใช่เป็นกุศลมันให้โดยมีอามิตบุญคือเบาบาปขึ้นหนักอันนั้นคือให้วัตถุทานนะ ไม่ใช่ให้ง่ายๆนะถ้าคนขี้เหนียวเนี่ยให้ไม่ได้ฉันยังไม่พอเลยนะเรื่องอะไรฉันจะให้นะการให้เนี่ยคือการขัดเกลาจิตตัวความโลภความตณีการทวัตถุทานส่วนธรรมทานนั้นทุกวันนี้ให้ง่ายไหมให้ยากกว่าวัตถุทานดีเห็นไหมพอคนพบอะไรก็ลิขิตเรื่องอะไรให้ เปนเงินก็เงินเหมือนกันไนงะความรู้นั่นก็คือเงินนะั่นไงก็ให้ไม่ได้นะลิขสิทธิ์ตัวกูของกูก็ไม่ให้เห็นไหมบางคนไม่ให้ไม่พอไปโกหกเขาอีกแทนที่จะให้เป็นธรรมทานนะกลายเป็นสร้างวัจีกรรมก็เปล่งวาจาเหมือนกันแหละเปล่งวาจาเหมือนกันพูดบรรยายทุกวัน แต่ในยะหล่อเขาเนี่ยเป็นวจีกรรมแต่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นธรรมทานเห็นไหมมันก็เอาความเราไม่ต้องไปแบบความรู้เราไงก็แบ่งปันความรู้ชี้ทางค้นทุกข์ให้เขาอันนี้มันมันเกิดในสงในวงกว้างแต่คนที่ให้เนี่ยเราเป็นผู้ให้เนี่ยเราก็ได้อันยิสงสง มากกว่าวัตถุทานแต่ยังน้อยกว่าอภัยทานแค่ครั้งเดียวบางคนก็ยังไม่เข้าใจอภัยทานง่ายที่สุดนะไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องเสียสตังง่ายที่สุดเลยแต่ยากที่สุดเพราะกิเลสตัณหาประทานไอตัวกิเลสตัวพยาบาทเราตัวตัวทิติมานะเราตัวอัตตาเราหนึ่งมันไม่ยอม เรื่องไรให้อภัยมันมันรังแกฉันมันเอาเปรียบฉันมันเป็นคนชั่วมันเป็นคนเลวมันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนผิดไม่ให้ไม่ให้เราเป็นยังไงแล้วก็แบกมนอยู่ในอกเราเนี่ยตลอดเวลาที่คนโบราณเขาบอกว่าแค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายแค้นมันอยู่สิบปีมันผ่านไปเก้าปี 11เอดเดือนยี่สิบเก้าวันเหลืออีกวันหนึ่งจะหมดแล้วกำลังจะนอนคิดถึงหน้ามันอีกโกรธขึ้นมาอีกเลยต่อวีซ่าไปอีกสิบปีนี่แหละพยาบาท ต, ตายแล้วจบไหมเอาไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่จุดจิตพยาบาทเป็นโปรแกรมกรรมในจิตวิญญาณนั้นเผาได้ไหม ธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรไม่มีทางร้อนกี่พันองศาก็เผาไม่ได้เกิดมาเกิดไปใหม่เนี่ยเต่ า, เาไปด้วยเห็นชัดไหมเจอในกอหมันไส้อยู่ๆก็หมันไส้ไม่รู้จักมันเลยเจอในขอถูกชะตามากถามว่าทำไมอะไรทำให้มันเป็นแบบนั้นก็ไอโปรแกรมที่บันทึกไว้ในจิตเรานั่นแหละตัวพยาบาททีนี้ก็ต้องไปล้างแคนกันอีก เราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ข้ามพ้นตรงนี้แ่ะยังยึดมั่นถือมั่นกันทิฏฐิมานะกับอุดมการบาบาบาบา์บ้าๆบ่ๆทําไม บ, า บ, าบา้าๆบอๆอุดมการหรือความเชื่อใดที่ทําให้เราทุกข์และเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งเพราะมันข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่เรื่องทําเล่นนะแต่ในทางโลกว่าเฮ้ยมันได้ไม่ได้มันเสียเปรียบปล่อยได้ยังไงถือว่าไม่รักชาติ โอ้ oh, ลักชาติกันตัวสั่นกันไปหมดเลยทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนอกจากทะเลาะ ก, กันให้บ้านมันเสียหายอให้ชาติมันเสียหายพ่อครูไม่ค่อยพูดนะทํามา25ปีนะตอนนี้ที่บางอย่างเนี่ยอยากพูดต้องอดทนไม่พูดเพราะมันมีความอยากบางอย่างไม่อยากพูด ต้องอดทนพูดเพื่อให้แม้กระทั่งสิ่งนั้นพูดไปเขาอาจจะเกลียดเราเพราะเราอยากไงมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งต้องฟังดีๆนะเพราะคูไม่ได้สนองความอยากนะแต่ภาษามันบอกอย่างนั้นบางครั้งภาษาบอกไม่อยากพูดหรอกแต่ตอนนั้นถ้าตอนนั้นไม่พูดนะมันเป็นอันตราย เขาจะเดินเข้าไปสู่กองไฟไม่ใช่อยากไม่อยากมันเป็นหน้าที่แต่ถ้าอยากพูดให้มันสะใจอยากดา่าอยากอะไรต้องไม่พูดเพราะมันเป็นกรรมแต่บางครั้งไม่มีความจาเป็นไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราไม่อยากพูดหรอกแต่เมื่อเห็นเขาเดินเขาเดินจะเดินอีกก้าวหนึ่งจะตกเหวแล้วเนี่ยไม่พูดเราฆ่าสัตว์แล้ว แต่ถ้าคนเรานี่ยไม่เห็นจิตเนี่ยเราจะอยู่ที่ติมานะเราคิดยังไงเราก็หาว่าคนอื่นเขาคิดเหมือนเรานะก็ไปสร้างกรรมเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายนะมันเป็นอะไรเป็นเส้นได้เหมือนมีคำกล่าวไว้สมัยโบราณนะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาชั่วร้ายมากนิสัยเขาไม่ดีเลยฆนะ่าคนก็เอาอะไรทำก็เอา พระโพธิสัตว์ก็เห็นจิตมันถ้ามันไปทําชั่วอีกแม้กระ่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันตกนรกไม่มีวันผุดวันเกิดเลยพระโพธิสัตว์ทำยังไงรู้ไหมคือไอคนพวกนี้มันชั่วจนพูดอะไรไม่ฟังแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ฆ่ามันทิ้งเลยตกใจไหมพระโพธิสัตว์ฆ่าคนฆ่าเพื่อหยุดกรรมมันไงมันยังมีโอกาส ไ่เกิดใช้หนี้กรรมอยู่เพราะไม่กลับบาปไหมพราะา ไ, มไม่สัตบามไหมไม่ไม่มีเจตนาร้ายกับมันเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มต้นจากศรัทธาแล้วเนี่ยใครก็ปลุกเราตื่นไม่ได้จมปักอยู่กับไอ้ไอ้ความคิดสร้างอารมณ์มาครอบงาตัวเองแล้วสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อน ตอนนี้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเพราะเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดชีวิตต้องสู้นะถ้าส่วนมากก็สู้ตายสู้ตายกันไปหมดสู้จนวันตายตัวเองจะตายไม่พอยังเรียกลูกเรียกหลานมาสู้ต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราคนมีปัญญาต้องสู้ให้มันเป็นไม่ใช่สู้ให้มันตาย ชีวิตต้องสู้สู้กับกระแสกรรมสู้กับกิเลสตัณหาอุปทานสู้เพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่สู้เพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่เอาชีวิตไปทุกข์เพื่อสร้างอนาคตอันนี้เราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเลี้ยงเก่งๆนะหาเงินเยอะๆจะได้ร่ำรวยชีวิตจะได้มั่นคงจะได้มีความสุขเป็นแพ็กเกจเป็นชุดๆวิชา ทุกคนคิดนอกกรอบ น, นั้นไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นยังไงอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกเศ ร, รษฐกิจสังคมการเมืองเขาสําเร็จหรือยังยังกำลังแย่อยู่ยังไม่สําเร็จเลยแล้วใครสําเร็จอันนี้ในแง่องค์กรนะเระขอเอ่ยชื่อคุณบิลเกตตอนนี้มาที่หนึ่งอีกแล้วนะเคยเป็นที่หนึ่งเจ็ดปีตกไปที่สองที่สามนี้ขึ้นมาที่หนึ่งอีกแล้วคุณบิลเกตสาเร็จหรือ ย, ยังก็ยังไม่สาเร็จไงยังไม่เสร็จ ยังทุกอยู่นะพกกลัวจะเป็นที่สองเราถูกใส่โปรแกรมนี้ตั้งแต่เด็กไปสร้างอนาคตนัคืออะไรถ้าเป็นที่หนึ่งก็เป็นที่หนึ่งแล้วไงทำไมยังไม่เสร็จสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วเขายังไม่เสร็จอเมริกายังไม่เสร็จคุณบิลเกตยังไม่เสร็จแต่พระพุทธองค์เราเนี่ยสำเร็จแล้วจริงๆไม่ต้องเรียนว่ายตายเกิดอีกแล้วไม่มีทุกข์อีกแล้วแม้แต่นิดหนึ่ง เห็นไหมทางโลกเราเก่งแค่ไหนก็ช่างเราไม่มีวันสำเร็จแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมที่พูะเจ้าชี้ทางให้เนี่ยสำเร็จได้แน่นอนสักวันหนึ่งถ้าเราไม่หยุดเดินแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จไม่ใช่เรื่องชาติเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่มาก ทุกวันนี้เราเรียนวิชาอะไรก็ช่างเป็นแค่วิชาชีพแก้ปัญหาเฉพาะชาติหน้าชาตินี้ชาติเดียวเพราะเราไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าเราไม่เชื่อเรื่องอดีตเราไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่เชื่อเรื่องวัฏฏะสงสารทุกดวงจิตสะสมกองกระดูกเราสูงเท่าภูเขาพัซซูเมน มันสะท้อนอะไรเราเกิดมากี่ชาติแล้วถ้าเราสะสมกองกระดูกเราสมัยเป็นช้างเป็นเสือเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเนี่ยกองกระดูกเราสูงเท่าภูเขาพระซุเมนปัญหาของเรายังเยอะอีกไหมอีกหลายชาติอีกหลายชาติเห็นไหมและยุคนี้มีวิชาไหนบ้างที่สอนให้เราแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่มีวิชาทุกวิชาเนี่ยเป็นแค่วิชาสร้างอนาคตเท่านั้นไม่เคยมีใครสอนเราวิชาที่เราแก้ปัญหาชีวิตเราให้มันพ้นทุกแต่ผู้ที่เจ้าสอนวิชานี้แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ฟังไม่เชื่อเพราะมันไม่สนุกเพราะมันจะไม่มั่นคงเราเข้าใจคําว่ามั่นคงผิด เราไม่เข้าใจมันเลยเราคิดว่าจเจริญเติบโตแล้วก็มั่นคงเราแปลภาษาผิดเจริญแปลว่ามีมากขึ้นเติบโตแปลว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามั่นคงไม่รู้สึกมั่นคงเลยยังกลัวอยู่ยังกลัวว่าจะแพ้เขาอยู่ยังกลัวว่าคนอื่นเขาจะแย่งเราไป เรายังไม่รู้สึกมั่นคงเลยความมั่นคงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะเาเรียกว่าฟิลสกิลถ้าเรารู้สึกพอใจเพียงแค่มีไม่กลัวอะไรเลยตายก็ไม่กลัวเนะี่ยมั่นคงอย่างยิ่งไม่ต้องกลัวว่าต้องเกิดใหม่เห็นไเราฝึกทุกวันนะเราฝึกทุกวันเตรียมตัวตายทุกเช้าเพราะเราเป็นคนไม่ประมาท ดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายแน่ๆมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปแยกทางโลกทางธรรมแต่ภาษาพคกูชีเมื่อกี้เนี่ยเราไปอบรมว่าทางโลกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เราคิดนอกกรอบไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ไงเขาบอกให้เราเป็นแบบนี้แต่คนอื่นเขาบอกเราต้องเป็นแบบนี้ถามว่าทางโลกตายไหม ตายตายคือธรรมะคือความจริงตามธรรมชาติก็คือก็ทางธรรมนั่นแหละแต่วิถีโลกเราเปลี่ยนไปเราดำรงอยู่ได้ด้วยวัตถุสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกนะพวกครูเองก็ถูกหลอกไปสี่สิบปีถ้ามีเงินแล้วจะซื้อทุกอย่างจะได้สะดวกแล้วก็รู้สึกสบาย มันสะดวกมันรู้สึกสบายเดี๋ยวมันออกรุ่นใหม่อีกไม่ถ่อยสบายเท่าไหร่เพราะเรายังแพ้คนอื่นอยู่ก็ต้องหาเงินงอกงอกต้องไปซื้อให้มันสะดวกแล้วก็สบายอีกไม่มีวันจบสิ้นแต่ยี่สิบห้าปีพอกูมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรามาเจอศัตธรรมข้อหนึ่งคือสบายโดยไม่ต้องสะดวกสบายสบายสบายทุกวันสบายทุกๆนาที ไม่ต้องผ่านสะดวกแล้วค่อยสบายพอใจเพียงแค่มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ไปสอนนัก ว, วิชาการบอกพออยู่พอกินพอใช้ไม่ไ้เอาเรื่องวัตถุมาคุยกันบิลเกตยังไม่พอเลยใครจะพอคนรวยก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะกลัวมันหมดเพราะกลัวเพรา ะ, ะกลัวมันสู้คนอื่นไม่ได้เห็นไหมคนจนก็มีปัญหาเรื่องเงินเพราะอยากรวยทุกคนมีปัญหาเรื่องเงินทั้งหมดอะแล้วเราไม่มีวันสําเร็จ เราไม่มีวันเสร็จแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วนี่เราพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วนะพูะเจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจพระเจ้าสอนให้เรามีวิริยะก็ขยันขันแข็งทำหน้าที่เราต่อไปทำแล้วได้ก็ต้องพอใจทำแล้วเสียก็ต้องพอใจบางคนงงเอ๊ะเสียพอใจได้ยังไงก็พอใจในสิ่งที่เราทา กิเลศบอกว่าได้แล้วก็ดีไงชนะเราก็ดีแต่แพ้แล้วก็เลยเสียใจก็เลยทุกใจเราไม่เข้าใจชีวิตถามว่าเราเรียนทําไมตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตีโทเอกเนี่ยเราไปนับดูกี่ปีครึ่งข้นชีวิตถ้าเอาเงินที่เราไปเรียนนะวันนึงค่าใช้จ่ายเกินเดินทางการกินค่าเทอมอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเรียนเอาไปหยอดคังหยอดคังหยอดคังหยอดคังผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยทุกคนเป็นเศรษฐีเงินล้านหมด ถ้าบวกดอกทบต้นเลยทุกคนเป็นเศรษฐีเงินล้านหมดไงเห็นไหมเราเรียนเพื่ออะไรต้องการมีความรู้เอาความรู้ไปทำมาหากินไปสร้างอนาคตก็ไม่ได้ผิดทีนี้พอเราทำอะไรแล้วเนี่ยถ้ามันได้สิ่งตอบแทนคือได้เงินก็ดีแต่ถ้ามันเสียไม่ได้เสียโอกาสได้ได้ไดเงินแต่ได้ประสบการณ์อย่างยิ่งทำไมไม่ดีใจ ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนด้วยเสียยต้องดีใจสุดท้ายมันจะต้องไม่พลาดอีกอันนี้ได้แล้วก็ดีใจเสียก็เลยเสียใจเห็นไหมทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องถูกเรื่องผิดนั่นแหละก็พ่กครูเน้นอีกทีหนึ่งนะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่ว เพราะธรรมชาติไม่มีภาษาภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมรภาษาฝรั <th inclusive discourse> ่งภาษาจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุต hmm. ิขึ้นบางอย่างคนไทยบอกว่าถูกฝรั่งบอกว่าผิดพอถูกใจเราบอกว่าถูกนี่ดีดีดีพอผิดใจก็เราบอกว่าผิดไงมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมันเป็นภาษาธรรมชาติจริงๆธรรมะจริงๆเนี่ยไม่มีภาษา เอาเป็นว่าธรรมชาติไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่ชั่วธรรมชาติเป็นไปตามกรรมเราแบกเรายกเราไม่วางเราก็หนกักเราวางเราก็เบาเป็นไปตามกรรมมันไม่มีถูกไม่มีผิดเราติดสมมุติไงคิดตามสมมุติคิดตามภาษาก็ไอ้ภาษาทุกวันนี้มันทำให้เราทะเลาะ ก, กัน ด็อกเตอร์สองคนคุยกันไม่รู้เรื่องเรียนสูงสุดแล้ววิชาเดียวกันด้วยรับปริญญาบัตรในวันเดียวกันนออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะเบาแวงกันต้องไปอาศัยคนจบปริญญาตรีไปตัดสินถูกผิดชาวนาสอนควายไถนาได้เพราะไม่ต้องผ่านภาษาไงหลวงพ่อชาจบป .1 เรียนแค่นักธรรมเอก สปีสอนคนทั้งโลกมีคนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยสอนฝรั่งได้ยังไงท่านบอกว่าฝรั่งไม่ยากหรอกจูงไปจูงไปันุเหมือนควายเดี๋ยวมันก็เชื่อมไม่ใช่พูดว่าไม่ใช่ดูถูกว่าฝรั่งเป็นควายนะคือสอนไม่ต้องใช้ภาษาไงตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนทีนี้ยังไม่เคลียร์นะ ไปอังกฤษเขาก็ถามอีกหลวงพ่อก็บอกว่าเอาเอน้ำร้อนมาแก้วนึงชี้ลูกศิษย์ที่เป็นเยอรมันบอกเอานิ้วจุ่มลงไปจุ่มปุบร้อนไ้เกาหลีก็จุ่มจุ่มก็ร้อนไงอังกฤษก็จุ่มก็ร้อนไงท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปสอนภาษาท่านสอนให้มันเห็นความจริง ความจริงนั้นบางทียิ่งพูดก็ยิ่งเลอะเลือนพูดพูดพด้วยภาษาไม่ได้ไอ้ที่เราบรรยายบรรยายไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวธรรมะนะใช้ภาษามนุษย์มาสื่อมเฉยแต่ไอ้ตัวธรรมะจริงๆนั้นอธิบายไม่ได้พูดไม่ได้แต่ตอนนี้ธรรมะเป็นเป็นเล่มๆ เ, เป็นพระไตรปิฎกจากร้อยเล่มอยู่ดีๆนี่อยู่วันดีคือดีไปเปลี่ยนเหลืออยู่สี่สิบห้าเล่มแล้วบอกเป็นธรรมะ บอกเป็นคําสอนพุทธเจ้าแล้วบางอาจไปเปลี่ยนคําสอนพุทเจ้าจากร้อยเร่ม อ, อยู่สีิบห้าเดิมแล้วถือว่าเป็นธรรมะเป็นแค่หนังสือหนังสือทุกวันนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมะเป็นหนังสือที่เขาเขียนเรื่องธรรมะเฉยๆแต่ตัวมันเองไม่ใช่ธรรมะมาถึงทะเลาะ ก, กันไงจบป ร, ริญญาเก้าจบด็อกเตอร์ทางศาสนาสูงสุดแล้วคนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาคนนึงบอกเดียวซ้ายคนบนบอกเดียวขวา แล้วเราจะไปเชื่อใครตอนนี้ธรรมะกลายเป็นตัวหนังสือสิ่งที่ผู้เจ้าตัดสั้นนั่นคือความจริงแต่สิ่งที่พระ อ, องค์ทรงสอนเป่องออกมาเป็นภาษาแล้วเนี่ยพระ อ, องค์ยังเตือนเราเลยนะอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคนที่เขาพูดเป็นครูบาอาจารย์เรา มีในศาสนาเดียวที่กล้าพูดอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อที่เล่าเล่าเล่าขานกันมามันเล่าขานกันเป็นแบบเป็นภาษาไงไอ้ที่ทำตามตามมามันก็เรียนแบบกันมาไงไม่ใช่วิธีที่เขาสอนไม่ดีนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับในก็ไม่เหมาะกับนายขอก็ได้มันเป็นนานาจิตตังจะเด็ิไม่เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์ท่านเป่งมาถ้าครูบาอาจารย์บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเขาไม่หลอกเราหรอกแต่อย่าเพิ่งเชื่อไง พอเขาเปล่งออกมานี่ปัญญาเราไม่ถึงเราก็ฟังผิดเข้าใจผิดเราก็ไปทําผิดผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งเชื่ออันนี้เขาพูดนิดหนึ่งเชื่อเขาไปหมดเลยแหล้วไปทั้งหมดเราเป็นแค่พูดตามเราเป็นแค่ทาตเราเป็นคนไทยนะไทยต้องอิสระตอนนี้เราเป็นธาตหมดเราไม่ฟังบุตรเจ้าไง เราไปฟังทุนนิยมวัตถุนิยมเขาสอนให้เราแข่งขันเพื่อแพ้เพื่อชนะผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นผู้เจ้าสอนแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนเป็นทางเดียวที่เราจะไม่ทุกข์ไม่ใช่เป็นคนน้างโง่ไม่ใช่เป็นคนไม่สู้ คนที่ยอมแพ้คนเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะยากมากถ้าไม่แข็งแกร่งยีรีเนี่ยมันยอมแพ้ไม่ได้เห็นไมเหมือนเราถ้าไม่กัดไม่กล้าตัดเนื้อตัวเองให้คนอื่นเนี่ยมันเจ็บไงเห็นถ้าเราตัดบ่อยๆตัดบ่อยๆแล้วเนี่ยมันด้านหมดแล้วมันไม่มีอะไรให้ตัดเนี่ยใครจะทำให้เราเจ็บได้ล่ะ มันกลับกันนะไม่อยากเสียเลี่ยมไม่ต้องมีเลี่ยมไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันเบาสบายอิสระเป็นอย่างเดียวกันไม่อยากเสียเลี่ยมคือไม่ต้องมีเลี่ยมไม่อยากลืมไม่ต้องจำจำเก่งแค่ไหนก็ลืม จำคือสัญญาแล้วคิดตามความจำกินขยะทังนั้นมันคือสัญญาเมื่อมันมีเชื้อสัญญาแล้วเนี่ยรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดสัญญาก็เกิดเราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่าพอเขาด่าเราปุ๊บมันไปกระทบสัญญาเราวีนเลยว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบมันคิดแล้วปรุงแต่ง สังขารเกิดเธอดา่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องดา่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปุงคบองค์แล้วสร้างวัชีกรรมเรารู้อยู่แล้วว่าเขาด่าเราเนี่ยเขาทำมันทําให้เราเจ็บมันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีนนดแล้วเราก็ไปเป็นคนไม่ดีเหมือนมันเหมือนเดินไปหมามันเห่าเรานั่นแหละโกรธมากแล้วไปเห่ามันแล้วก็กลายเป็นหมาเหมือนมัน มึงชั่วมึงชั่วมึงผิดกฎหมายฉันก็ต้องปิดกฎหมายบ้างเพราะมึงชั่วชั่วไปทั้งหมดเลยไม่มีคนดีทั้งหมดเราฆ่าคนชั่วไปหมดทั้งโลกนี้นะหมดหรือเปล่าไม่คนชั่วใหม่เกิดขึ้นเพราะคนที่ไปฆ่าเขานี่แหละชั่วคนที่ไปด่าเขานี่ยชั่วคนดีจริงๆเขาไม่ทำอย่างนั้นเราฆ่าไม่หมดนะ มันเป็นของคู่ในตัวเราเองมีทั้งชั่วมีทั้งดีเนี่ยถ้าเป็นภาษาพูดจริงๆแล้วมันไม่มีดีชั่วแต่มันเป็นเรื่องกุศลกับอกุศลแต่ภาษาพูดบอกว่าดีกับชั่วแต่ตอนนี้ภาษาโลกเป็นยังไงเอากฎหมายมาเล่นงานกันถ้าใครเป็นขุดผิดกฎหมายนี่ชั่วหมดมีใครบ้างไม่ผิดกฎหมายถ้าคนเราไม่โกหกนะเราเคยผิดกฎจราจรมโดยไม่รู้ตัวอะไรเราอาจจะเคยผิดพวกค้านี่อาจจะเคย เียกเลียมภาษีเขาทางตรงทางอ้อมนั่นแหละถ้าพูดถึงว่าการผิดกฎหมายเป็นคนชั่วชั่วหมดการสร้างวัจจรรำปบาดาเขานี่ก็ชั่วอะไรเขาไงการสร้างกรรมเป็นความชั่วละอย่างยิ่งแต่ที่นี้ทิฏฐิมานะชั่วก็ชั่วมันสะใจไงเพราะกูบอกนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้มันบันทึก อยู่ในจิตเรานะมันบันทึกในจิตเรามันไม่หายไปไหนเราหลอกจิตเราไม่ได้เดี๋ยวกรรมตัวนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะส่งผลมันจะส่งผลนะโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยเราปฏิเสธเรื่องพวกเทคโนโลยีพวกดิจิทัลนี้ไม่ได้ต้อใช้อย่างมีสติ มันเป็นแค่เครื่องมือในการใช้งานของเรามันไม่ใช่พระเจ้ามันไม่ใช่ทุกสิ่งเราต้องใช้ให้มันเป็นแต่ตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมเงาก็ประกาศไปทั่วโลกโดยฉันเหงาเกลียดใครก็ประกาศไปเลยว่ากูเกลียดมึงอันตรายมากมันบันทึก เป็นหลักฐานเลยนะแล้วอยู่เปาประกาศเป็นศัตรูกับคนครึ่งโลกแปลว่าครึ่งหนึ่งชอบเราอีกครึ่งหนึ่งบันเกียร์เรามันไม่ใช่เรื่องชานฉลาดนะไอ้กรรมตัวนี้เนี่ยระดับไหนรู้ไหมครบองค์เลยเราคิดเะเอียดมันปุ๊บเนี่ยมันโดกรรมแล้วถ้าพูดเฉยๆว่าจีกรรมนะไปกดปุ๊บลิงก์เข้าไปใน อินเทอร์เน็ตนั้นน่ะกายกรรมตอนนี้เล่นกันเป็นเรื่องของเล่นกันไปหมดแล้วไม่มีงานทำใช่ไหมสกุลโบราณเขาเตือนไปบอกว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าเอาเรื่องภายในบ้านีไปพูดข้างนอกและอย่าเอาเรื่องข้างนอกมาพูดในบ้านอันนี้เอาไปหมดเลย ให้เขารู้ข้อมูลเราหมดเลยแล้วกลายเป็นแฟชั่นเราคิดว่าเราฉลาดเราทำอะไรงูง้งสร้างกรรมตลอดเราเป็นแค่ผู้ตามนะเราบอกเรามีเทคโนโลยีเราเก่งเลยเขาให้เรามาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเต้าก้นตำรับเขาเนี่ยเขาไม่ให้เราหรอกเขาสามารถเจาะล้วงข้อมูลเราได้หมดเลยแต่เราเข้าถึงเขาไม่ได้ เขาเขาอ้างว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสอเมริกาเร็วๆนี้ถูกจับอะไรไหมขโมยความลับของประเทศอื่นแล้วเขาโปร่งใสหรือเปล่าเราจะไปเล่นเกมโงงๆกับเขานะพวกครูไม่ใช่ว่าอเมริกาเป็นคนไม่ดีนะเก่งมากพวกครูเคยไปกินข้าวเขาเนี่ยหลายปีแต่เขาหลงในเกมที่เขาเล่น เขาเอาเปรียบคนอื่นทั้งหลอดเนี่ยเขาชนะสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นคนตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีแล้วตอนนี้ผ่านไปเจ็ดปดสิปีเป็นยังไงโลกใบนี้เกือบจะอยู่ไม่ได้เขาเองก็กำลังกาลังเซ่ทำไมเขาเอาเปรียบคนอื่นเห็นไหมเขากีดกันทางการค้าพอเขาสู้ไม่ได้เขาก็อ้างแล้วว่าเฮ้ยส่งอาหารทะเลมาไม่ให้เขา้าจีดกันทางการค้าเพราะว่าเธอไปทาลายสิ่งแวดล้อม เขาเองทำลายสิ่งแวดล้อมนี่มากที่สุดในโลกและที่เห็นชัดๆนะเขาพิมพ์เงินดอลลาร์เนี่ยพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีทองคำค้ำประกันเป็นประเทศเดียวในโลกอันนี้ยังไม่พอนะพลาสติกใบเดียวของเขาเนี่ยใช้ได้ทั่วโลกอเมริกัน Expert, Visa, class, เอ็กซ์เพรสวีซ่ามาสเตอร์คาร์ดไดเนอร์คับเคลลิขสิต เราลูดอู้เรารูดเรารูดเรารูดเรากดเอทเอมรู้สึกสะดวกมากลูดป๊บแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อเมริกันทั้งโลกขนาดเอาเปรียบขนาดนี้มันยังจะไปไม่รอดไงแล้วยังจะไปตามเขาอยู่เขาหลอกเราว่าต้องอูต้องโปร่งใสต้องอะไรอะไรแล้วเขาโปร่งใสหรือเปล่าเขาไม่ได้โปร่งใสเลยในหลวงเคยพูดไว้คำานึงนะพระองค์ทรงชี้บอกว่าอย่าไปถามหาคุณธรรมในโลกนี้มันไม่มี คุณธรรมมันอยู่ข้างในนีต้องออกมาจากข้างในเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมนั้นนะ่ะคนอื่นพวกคุูไม่ได้ยุ่งกับเขานะพ่อครูบอกหยุดไงตอนที่พ่อครูเข้าบรรษาหยุดแล้วยังไม่มีเรื่องอะไรนะมันเริ่มมีเรื่องแล้วเห็นไหมมันมีเรื่องแล้วแล้วมันจะเราระเบิดมันเป็นเรื่องทิฏิมานะมันจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันจะเอาแพ้วชนะฆ่าคารนกันมดมอดม ด, มดแดงมดดานี่เป็นแค่เยื่อ เพราะเราถ้าเขาปลุกระดมน่ะถูกล้างสมองนะปลุกระดมแล้วอารมณ์เป็นแค่เครื่องมือของคนกลุ่มหนึ่งที่มันแย่งชิงอํานาจกันตอนนี้เป็นทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแล้วนะกระแสมันเป็นแบบนั้นเห็นไหมถ้าคนเรามันคิดเหมือนกันทําไมต้องมีหลายพรรคการเมืองอ่ะเพราะประชาธิปไตยเหมือนกันเรียนมาเหมือนกันทําไมคิดไม่เหมือนกัน ทำไมต้องมีลัทธินิกายหลายลัทธิแต่ทำไมมีเผด็จการทำไมมีคอมมิวนิสต์ทำไมมีสังคมนิยมล่ะก็มันไม่เหมือนกันไงเราจะไปบังคับให้ทนอื่นคิดเหมือนกันได้ยังไงมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่อยู่ในแก้วใบเดียวกันทรายก็อยู่ข้างล่างน้ำมันก็อยู่ข้างบนเกลือก็อยู่ตรงกลางเราคนให้มันเหมือนกันก็ขุนไปทั้งโลกพอวางทิ้งไว้มันก็ตกตะกอนอีกมันไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิด ที่เหมือนกันคือว่าทุกเหมือนกันเกิดมาแหกปากล้องเหมือนกันหมดไม่มีใครหัวเลาะออกมาเราเกิดมาใช้นี่กรรมคนนี้ไอิสูงไอนี่ไอไอคิต่งคนนี้ชอบแดงชอบขาวเหมือนก็อย่าไปแยกสีสิเห ม, มันก็ชอบไม่เหมือนกันไงจะไปนั่งเถียงกันกี่ปีกี่ปีก็ไม่จบหรอกมันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันทำไมต้องมีหลายลัทธินีกายทำไมต้องมีหลายศาสนาละ่ะ ทรายก็อยู่อย่างทรายสิน้ำมันก็อยู่อย่างน้ำมันสิเกลือก็อยู่อย่างเกลือสิอยู่ในแก้วใบเดียวกันอยู่ในโลกบเดยวกันประเทศเดียวกันไม่ต้องเหมือนกันยอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเหมือนกันเท่ากันนะถ้าเหมือนกันเท่ากันผู้กุศลต้องให้ทานทําไมไม่ต้องพระองค์ต้องให้ทานเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันไงเราต้องให้ผู้ที่ด้อยกว่าเราอยู่ด้วยกันได้ เพื่อเฟือเฟือแผ่กันแต่เราไม่ฟังพุทธเจ้าเราไปหลงกับไอ้ลัทธิจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันเหมือนกันทุกคนต้องอยู่ในแพ็กเกจอยู่ในโปรแกรมเดียวกันเขาจะครองโลกใครทําไม่เหมือนเขาเขาเล่นงานผู้ฐานอยู่ดีๆนะยึดวิถีพุดดีๆต้องถูกบีบจนต้องแกล้งเลือกตั้งพาม่าเขาอยู่ดีๆของเขาเป็นประเด็จยการต้องบีต้องประชาธิปไตยถึงดีประชาธิปไตยแล้วยังไง เห็นไหมีหลายประเทศเขาเลือกตั้งนะแต่ถ้าไม่ฟังอเมริกาปุ๊บล้มมันของปลอมทั้งนั้นแหละประชาธิปไตยไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมันเป็นกลางๆมันเป็นเทคนิคในการปกครองอย่างหนึง่งถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องเล่นตามปติกาไปไม่ใช่ไม่พอใจก็อ้างล้มไปล้มมาอยู่อย่างนี้มันมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเห็นไหมอย่าไปหลงนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จีนสมัยก่อนเขาเป็นคอมมิวนิสต์ ก็ไปบีบเขาอีกมันไม่ฟังเติ้งเสี่ยวผิงก็พูดเลยว่าเขาไม่แคร์หรอกว่าแมวมันจะสีขาวหรือสีสีดำขอให้มันจับหนูได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปนะเขาจะแซงอเมริกาเรื่องเศรษฐกิจไงแต่อเมริกายอมไหมไม่กำลังหาเรื่องต้องหาเรื่องนี้ให้มันเกิดสงครามเบรกเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง เหมือนพวกอนุรักษ์นิยมเหมือนกันถ้าประชาินใยจ๋าเขาจะหมดฉันจะหมดอำนาจฉันก็หาเรื่องล้มมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าทฤษฎีแข่งขันเสรีเรื่องอะไรจะแข่งจะแปรมันก็เป็นเกมอย่างหนึ่งนะแต่ในแง่ชีวิตเนี่ยพวกเราไม่มีเหตุผลจะเอาชีวิตเราเนี่ยไปเป็นเบี้ยล่ากับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปเป็นเหยื่อสนองตัญหาคนบางกลุ่มที่แย่งชิงอำนาจกัน อันนี้พ่อกูพูดธรรมะธรรมะไม่ไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ภูเขาเหิมาลัยหรืออยู่ที่อินเดียธรรมะคือความจริงตามธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาการที่เราเอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งสมัยพุทธกาลเราทุกข์กับบางอย่าง สมัยนี้ก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่ข้อความอยากเหมือนกันแต่ว่าอยากไม่เหมือนกันตัญหาคือที่มาของทุกข์แล้วตอนนี้ตัญหาเราคืออะไรปัญหาผู้คนยุคนี้ยุคนี้ยังไงมันแรงกว่าสมัยพุทธกาลผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมาไอ้เทคนิควิธีการฝึกจิตนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันไม่ทันสมัยสมัยก่อนกิเลสสมมติมันมีกําลังสิบเอร์สิบกิโลใช่ไหม แล้วก็ฝึกกรรมฐานสิบเอ็ดกิโลก็พอแล้วตอนนี้มันร้อยกิโลกันมันขี่จรวดหรอกกิเลสขี่จรวดหรอยังต้มๆเตี้ยเหมือนเก่าได้หรือเปล่ามันไม่ทันผู้ช่วยบอกยาเพิ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันไม่ทันตามเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงนะพ่อครูนี่กดมือถือไม่เป็นนะถ้าวันไหน ไปทํางานในแก้วที่เราไปในเมืองเนี่ยคือแยกกันไปทําเนี่ยแกต้องเอามือถือตัวหนึ่งบอกเนี่ยรอให้พ่อคูรับนัด ก, กันไปเจอที่ไหนถ้าเกิดอุบัติเหตอะไรเนี่ยพ่อคูกดเบอร์หนึ่งก็พอนะมันจะถึงแก้วเลยนะพ่อคูกดเป็นแค่นั้นนะแล้วบางทีแกดังมาก็กดยังไงกดคนไหนมันก็ไม่มันรับไม่ได้ไม่รู้นิ้วคูพ่อคูเป็นอะไรอ่ะนะไม่อยากจับเลยเนาะแต่พ่อคูไมไ่ปฏิเสธทุกคนต้องใช้ ต้องใช้มันเป็นแต่อย่าใช้ให้มันตายถ้าเราเป็นธาตมันเมื่อไหร่เนี่ยเราตายทั้งเป็นปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำถ้าปลาน้าจืดมันคิดเหมือนมนุษย์เนี่ยกลัวไม่ทันก็วิ่งตามเขามันลงทะเลมันตายหมดมันทำไมต้องรู้ทวนกระแสเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนถ้ามันไปโรงเรียนแล้วมันจะโง่มันจะไปตามกระแสเพราะมันกลัวไม่ทัน บางทีพวกครูเขาครูสมัยก่อนผลิตคอมพิวเตอร์ขายต่ออเมริกาเนะีตอนนี้ใช้ไม่เป็นนะบางคนพวกครูเก่าล้านปีทารซานมนุษย์ต่างดาวพวกครูบอกไม่รู้ใครมนุษย์ต่างดาวกันแน่นะพวกครูเป็นคนทันสมัยมากแต่พวกครูไม่ตามสมัยตามไปว่าไม่ทันมันให้เราทุกข์ไง พราครูทันสมัยรู้ความเปลี่ยนแปลงปพวกมันเพราะครูไม่ปฏิเสธแต่พ่อครูไม่หลงมันพวกครูทันสมัยมากแต่ทุกวันนี้เราส่งลูกหลานเราไปตามสมัยกลัวมันไม่ทันเขาไปเรียนวิชาที่คนอื่นเขาสอนเรามันเก่งที่สุดมันก็เท่ากับเจ้าของวิชานอวียศาสตร์เก่งที่สุดก็เท่ากับไอน์สไตน์ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยเราเป็นแค่ผู้ตามถ้าเราเก่งจริงๆเราต้องตามเราต้อ ง, เ ร, องเราต้องเก่งกว่าเขาไม่ เราเป็นแค่ตามเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรูเนี่ยพ่ะครูทันสมัยมากพ่ะครูจึงไม่หลงสมัยแต่พ่ะครูไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเด็กโรงเรียนเราเนี่ยเขาอยู่ในป่านะแต่ยุคนี้เขาปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้พ่ะครูยินยอมนะเด็กทุกวันนี้ต้องสะเทอนน้าสะเทินบก นะอยู่ห้องแอร์ก็ได้ตากแดดก็ได้ไฟดับก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เด็กในเมืองตอนนี้ติดแอร์แล้วก็ติดแอร์วันไหนไม่มีแอร์นะทุกมากยุคนี้เราปฏิเสธแอร์ไม่ได้พะเข้าไปในเมืองก็เข้าไปในห้องแอร์ต้องฝึกให้มันเป็นสะเทินน้ำสะเทินบกให้มันรู้เท่าทันโลกจริงๆรู้เท่าทันไม่ใช่ไปเพรว่าตามโลกนะตามไปว่าไม่ทัน ต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงฉลาดใช้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอะไรไม่เป็นประโยชน์อย่าไปเสียเวลากับมันอันนี้ไม่ใช่เพื่อนมีรุ่นใหม่คุณแม่ต้องซื้อให้หน่อยไม่ซื้อไม่ไปโรงเรียนวิชาหาเงินยังไม่จบเลยวิชาใช้เงินเป็นด็อกเตอร์กันไปหมดเก่งเหรอยุคนี้เก่งเหรอไม่เก่งต้อเป็นแค่นักเรียนแบบเขา แล้วเขาจะให้เราหมดเหลอคนที่เขาตาตำดาเขาสอนให้เราเรียนไปเขาเขาให้เราหมดเลยไม่มีทางเห็นไหมตอนนี้โรงเรียนเห็นไหมถ้าไม่ไปเรียนพิเศษเนี่ยก็ไม่สอนพิเศษเขากักไว้นั่นแหละและต้นตํำรับทุนนิยมแข่งขันสดีเขาให้เทคโนโลยีเราหมดเหลอไม่มีทางเขาให้เฉพาะส่วนที่เราจะต้องเป็นทาสเขาเป็นผู้บริโภคเขาเท่านั้นเองเขาสามารถเจาะ ข้อมูลเราได้หมดเลยแต่เราเข้าไปไม่ถึงเขาเราเป็นแค่ผู้ตามนะเอาเป็นว่าเราเป็นไทยดีๆก็ดีอยู่แล้วอย่าไปเป็นทาสอย่าไปเป็นทาสนะภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนต้องเรียนถ้าเรียนก็เรียนให้มันเก่งๆ เ, เลยให้มันแตกฉานแต่ไม่ใช่คนทุกคน ถ้าไปหลงมันไม่ได้เป็นภาษาธาตเราไปเข้าใจสังคมไทยเราเรามาสร้างกระแสว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอะไรคอมเนต์ก็สากลลาวก็สากลนะแต่ตอนนี้เขาพยายามสร้างอิงทธิพลว่าเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนโปรแกรมหนึ่งเขาสร้างโปรแกรมหนึ่งเขาพยายามทําให้เราต้องเดินตามโปรแกรมเขาจะได้คอนโทรลเราได้ถ้าการจบภาษาอังกฤษแล้วสําเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยพ่อครูไม่เชื่อ สมัยก่อนเรามีร้านอาหารที่อเมริกาถ้าพูดถึงตำแหน่งนะตำแหน่งที่ล่างที่สุดเลยเนี่ยพวกเทขยะพวกล้างถ้วยล้างจานไงมันพูดภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วมันทำไมมันเทขยะล่ะทำไมมันล้างจานล่ะมันไม่เกี่ยวว่าพูดภาษาอังกฤษเองแล้วเราจะสำเร็จในชีวิตนะลูกสาวน้าคำเนี่ยน้องแท น, นสมัยเด็กๆ ปีนั้นมีฝรั่งชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มาอายุ26ปีชื่อเทาวิสสูง195เซนมันเข้ามาในศูนย์น้องแทนเห็นนตกใจคิดว่ามนุษย์ต่างดาววิ่งเข้าไปกอดยายหน่อยสมันไม่เป็นแม่ครัวที่นี่น้องแทนปลอดภัย แต่ถ้าน้องแทนพูดภาษาอังกฤษเป็นน้องแทนจะวิ่งไปฟูดฟิตโปรไฟล์แลวถูกฝรั่งหลอกไปตอนนี้นักวิชาการเราหลายคนถูกฝรั่งหลอกไปไม่ใช่เป็นภาษาแล้วเราก็เก่งนะน้องแทนไม่รู้ภาษาก็เลยปลอดภัยไงวิ่งไปหาคุณแม่เห็นมนุษย์ต่างดาวฝรั่งทำไมเข้ามาที่นี่เขาก็ทุกข์ พ่อครูก็เรียกชื่อจากทราวิสคนมันนอกเรียกยากมากก็ให้เป็นเทวาเป็นเทวดาเลยเขาก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่เขาก็เวี่ยงพระเจ้าในดวงใจเขาทิ้งตอนนี้เขาเป็นคนไม่มีศาสนาเดี๋ยวอีกอีกอาทิตย์หน้าก็กลับมาเอาเป็นว่าพวกครูไม่บังคับเขาต้องนับถือศาสนาอะไรแต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเป็นวิถีพุทธโดยที่เขาไม่ดูตัว พวิถีพุทธลงมาจากวิถีธรรมธรรมชาติเมื่อจิตมันเข้าสู่ธรรมชาติแล้วมันอินไซน์เอามันก็เป็นวิถีพุทธแต่ตอนนี้เรานับถือพุทธปากก็นับไปมือก็ถือไปไม่รู้ว่าถืออะไรไว้อยู่ถือถื อ, ถอดุดดดเห็นไหมเพราะอะไรเห็นไหมเพราะเราไม่เชื่อมั่นศรัทธาเต็มรอยเราไม่ตั้งมั่น อารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็อ้างโน่นอ้างนี่นะแม้กระทั่งเราอยู่ทางโลกก็ช่างนะถ้าเราทำอะไรไม่ตั้งมั่นเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่าว่าแต่เรื่องจิตปัญญามันเหมือนกันเหมือนกันแต่เราให้คุณค่ามันเราไม่ให้ความสำคัญมันไงเห็นไหมปฏิบัติอะไรเวี่ยงทิ้งเวียงทิ้ง ผู้เจ้าก็สอนแค่สามอย่างทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสที่ศูนย์เราก็ทำแค่สามอย่างอย่างอื่นเราไม่ทำนี่คือหน้าที่หลักเราเลยละ่ะทีนี้การทำดีของเรามันมีหลายอย่างไหมคนเราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตั้งมั่นกับทำหน้าที่เป็นสมาธิเป็นสติในนั้นซื่อสัตย์ก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งก็เป็นทำดีก็ทำไปเห็นไหมแล้วก็ดีกว่านั้นเออเอาส่วนเกินเราเนี่ยไปให้ ให้วัตถุทานธรรมทานอภัยทานก็เป็นการทำดีนะอยู่ที่ว่าดีแต่ละคนนี่มันเหมาะแบบไหนก็ทำไปแต่ที่สำคัญกว่าทำดีคือละชั่วไอ้ตัวนี้เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าทำดีทำดีด้วยเห็นหมทำดีส0ปรเซ็นต์ทำชั่วอยู่ยีสปรเซ็นต์มันยิ่งหนักกว่าเก่ามันเหมือนเล่นชักเขย ทำดีก็ดีแล้วแต่ต้องละชั่วด้วยนะแล้วไม่พอนะทำดีละชั่วไม่พอต้องขัดเก่าจิตให้ผ่องใสด้วยอย่าลืมนี่เกา่าอารมณ์ที่เราทุกอารมณ์ที่เราไม่สงบนันมันมีเชื้อของมันอยู่เราต้องไปกำจัดเชื้อที่ทำให้เราไม่สงบออกมาไม่ใช่ฝึกสมาธิไปกดมันไว้ได้ความสงบชั่วครู่เหมือนสปริงเนาะ สปริงเขสร้างสปริงขึ้นมาแต่มันมเป็นเหล็กนะเขาก็มวนมวนมวนอาศัยที่มันม้วนอะมันจะเกิดสปริงขึ้นมามันเกิดแ ร, แรงดันขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังสมาธิพลังฌานเราไปกดมันไว้มันก็สงบเจ้ากู้พอเผอปุ๊บเด้งผางอีกไงผู้เจ้าสอนให้ดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ต้องทำลายสปริงซะตอนที่เรากำลังทำลายเรากำลังปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยนะ บางทีเผลอปุ๊บมันก็ดีดนิ้วตัวเองต้องขันติต้องวิริยะดึงใหม่ดึงใหม่ดึงใหม่ดึงใหม่เมื่อเราทำลายมันได้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเหล็กเส้นหนึ่งมันไม่มีสปริงแล้วสงบตลอดกานมันเปรียบเสมือนเราเฟียงฟุตบอลเนี่ยเข้าไปข้างฝาเนี่ยเราเฟียงแรงมันก็อิมแพคมาแรงเห็นไหมเรามีอารมณ์ออกไปแรงเราสร้างกำแรงมันก็ตีออกมาแรง เราด่าวไปเนี่ยนะเราด่าจิตซึ่งเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นอริยะเนี่ยนะเหมือนเราเฟี้ยงบุ่งมแมลงขึ้นใบบนฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่ชนถูกอะไรมันจะกลับมาถึงตัวเองนี่คือกรรมไงผู้เจ้าไปเห็นสิ่งนี้พระองค์ถึงบอกให้เราแก้ที่ต้นเหตุอันดับแรกก็คือว่าทํำไมต้องทําดีทําดีเหมือนเราสร้างพลังตัวเองแล้วก็ลดลดทอนไอตัวไอตัวอยากไอตัวอยากนั้นมันมาจากกิเลสเห็นไหม เราลดอุณหภูมิของความอยากองค์ไปเนี่ยเราก็ความทยานอยากมันก็น้อยการสร้างกรรมเบียดเบียนคนอื่นมันก็น้อยเนี่ยการทําดีเป็นอุบายวิธีที่ขัดเก่าความโลกความตนี๊นยนกโดยการให้ทานแล้วไอ้ตัวทําดีนี้มันก็เหมือนเติมน้ํามันรถยนต์ต้องเติมน้ามันนะไอไฟฟ้ฝ่ายผุศสนนี่มันทำให้เรามีพลังให้จิตมุ่งมัน่นพอไปเจอไอ้ก้อนโตๆเนี่ยมันถึงจะเซก็ช่างมันยังมีกําลังลุกขึ้นมาเดินต่อ เพื่อเข้าไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสเพื่อมีพลังดึงสปริงไม่ใช่ไปกดมันไว้อย่างทุกวันนี้นะฝึกสมาธิเจริญสติถ้าเรามีแค่สติรู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดเราก็ไม่ทุกไม่ทุกแค่เวลานั้นแต่ถ้าเราเผลอปุ๊บมันก็ทุกอีกเราไม่ยังทนไม่พ้นทุกเพราะสปริงมันยังอยู่นะปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเราทาอะไรอยู่เต้นแง้งเต้นกาทาไม นั่นแหละตาเป็นทวนน้ำเรานกำลังทวนกระแสกิเลสเราเฮ้ยอายุขนาดนี้มาเต้นอะไรอายเขาเสียบุคลิกภาพเสียมารยาทเราทวนกระแสกิเลสกิเลสบอกไม่เต้นเต้นเต้นนั่นแหละสักพักหนึ่งเรามีพลังมากกว่ากิเลสเราจะเข้าสู่ความอิสระภาพ มันเป็นมันมันนเป็นอุบายอย่างหนึ่งในขณะที่เต้นไม่ใช่ใช้อารมณ์เต้นไม่ใช่เต้นแบบดิสโกเทคต่างกันฟ้ากับบินนะก็เพลงเดียวกันนั่นแหละเต้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะในยะมันต่างกันเจตนาไม่เหมือนกันเยาวชนเขาเต้นเขาสร้างอารมณ์สนุกสนานมากบเกือนความเบื่อของเขาเห็นไหมพอมันชนกันมันตีกันฆ่ากัน แต่ที่เราเต้นเนี่ยเต้นด้วยสมาธิสติเอาเอารมณ์ออกเหมือนรถยนต์เนี่ยเราสูบน้ำมันออกไปบ่อยน้ำมันมันหมดแล้วอมารถยนต์มันยังอยู่นะกิเลสยังอยู่แต่ถามว่ามันเคลื่อนไหวได้ไหมสตาร์ทไม่ติดนี่คือคาลายทำอารมณ์ต้องเข้าใจนะเราไม่งั้นเราจะเอ๊ะทำไปด้วยเอ๊ะทำไมฉันอยู่ดีๆบางคนมาเต้นปุ๊บเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงอ้วก วกหลังโกงเลยฉันไม่สบายฉันนั่นแหละฉันถอยดีกว่าอย่าถอยนะอย่าเหนียวนี่นะจ่ายนี่มันกำลังดีทอกเราเนี่ยโดยไม่ต้องไปกินยาอะไรทั้งนั้นแหละเขากำลังปรับสมดุลในร่างกายอยู่ไม่ต้องไปนั่งวันหนึ่งนั่งสิบชั่วโมงสร้างเวทนาขึ้นมานะทรมานสังขารเนี่ยไม่ใช่ความเพียรชอบ ผู้เจ้าลองมาบทแล้วทุกกิริยานั่นมันสุดตรงเวทนาไม่ต้องสร้างมันเต้นแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงเน่ยชั่วโมงเดียวก็เวทนะดีใจก็เวทนาอาจารย์กัดกระวนอ้วกแตกโอกแตนเนี่ยก็เวทนาก็พิี่นาเวทนาในเวทนาอย่าไปนหนีไม่ต้องไปนั่งทรมานตัวเองเนี่ยเวทนามอยู่ในนี้หมดอ่ะกายเวทนาจิตทำอยู่ในนี้หมดเลยเป็นมหาสติปัฏฐาน ไ, ไ, มไม่ใช่เอากายอย่างเดียวไม่ใช่เอาจิตอย่างเดียวนะไปด้วยกันกายเวทนาเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคะะตาลมนะอันนี้สำหรับคนเก่าก็ฟังให้มันชัดเจนขึ้นคนมาใหม่ก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะก็รู้เฉยๆยังไม่กระจ่างมันเข้าใจไม่เข้าจิตปฏจจิบัติลงไปโดดลงไปเลยให้มันเข้าจิตให้จิตเราอ๋อโดยตัวเราเองเป็นปัจจตังเวทีตโพเวนยูหี เป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอาทิตย์ที่แล้วมีญาติที่ทำมาจากจังหวัดไหนไม่รู้รู้สึกทางยีสานเนี่แหละเ น, ะนาะนครพ น, นมหรืออะไรเนี่ยมาลาพา่อครูพ่อครูถามว่าเป็นยังไงแกบอกว่าเบาเบาโล่งโล่งเกิดมาไม่เคยเบาอย่างนี้โล่งพ่อครูถามว่ากี่กิโลมันช่างตรวงวัดไม่ได้นะวิทยาศาสตร์พลาดโอกาสมาก อะไรที่ช่างตรงวัดไม่ได้ปฏิเสธหมดเอาแค่รูปประทับแต่ลืมนามมาทำเราปฏิเสธความจริงความจริงมันมีรูปกับนามมันเกิดดับในร่างกายเรามีรูปกับนามแต่วิทยาศาสตร์ไม่เอานามเพราะมันช่างตรงวัดไม่ได้วิจัยแต่เรื่องรูปผลิตอาวุธนิวเคลียสมาฆ่ากันทาให้โลกใบนี้ร้อนไปหมดเลยเรารู้แค่ความจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะเราปฏิเสธ สิ่งที่เราช่างตวงวัดไม่ได้เห็นไหมเบาเ บ, า, บากี่กิโลโล่งโลง่งช่างตวงวัดก็ไม่ได้แต่ผู้ที่เจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มากพระองนค์ไปค้นพบทั้งหมดทั้งรูปกับนามมันไม่ได้แยกส่วนว่าต้องเอาแค่ร่างกายเอาแค่รูป หือเอาแค่นามมันต้องไปด้วยกันเทวดาทำไม่ได้นะนิพพานาเนี่ยเทวดาไม่มีกายเทวดาเจริญมหาสติปฐานไม่ได้คือไม่มีกายไม่มีฐานกายไม่มีกายก็ไม่มีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่กายนะที่ใจหัวใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของกายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะเทวดาทำไม่ได้เทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุ ตอนนี้มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายค น, นทำบุญปุ๊บอยากขึ้นสวรรค์พราครูเตือนนะไม่จําเป็นอย่าไปเลยเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขเสียเวลาอยู่บนสวรรค์หลายก็รอบแล้วนะพอเสพกรรมดีหมดตอนนั้นเกิดมาวันแรกเป็นลูกเศรษฐีก็แหกปากลองเทวดาหัวเราะสิหัวร้องไห้ทําไมสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสาร ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ส่วนมากเราทําบุญเราสร้างอนาคตอยากขึ้นสวรรค์อยากเกิดชาติหน้าให้สวยสวยกว่าเก่าให้รวยรวยกว่าเก่าแล้วไหว้พระเจ้าทุกวันพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะพระเจ้าไม่สอนให้เราปฏิบัติหรือทําบุญเพื่อสร้างอนาคตพระเจ้าสอนวิธีให้เราหมดอนาคตไม่ต้องเวียนว่า้ตายเกิดอีก แต่ถ้ามันจำเป็นต้องเกิดอ่ะแน่นอนมันดีอยู่แล้วเราไปทาดีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ตั้งใจทำเพื่อให้อนาคตชาติหน้าเกิดมาสวยแค่ไหนก็ช่างรวยแค่ไหนก็ช่างเกิดมาวันแรกก็แหกปากลองนั่นแหละมันไม่เคยหัวเลาะเลยทุกพรเกิดเห็นไหมก็สิ่งที่เราทำอยู่นะไม่ใช่เรื่องทำเล่นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ชีวิตเดียวเป็นชีวิตในวัดตะสงสารหลายภพหลายชาติมันทําเล่นได้ไหมขนาชีวิตนี้จะเป็นสมเร็จอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากเป็นเศรษฐีอะไรก็ยังทํากันไม่ใช่ง่ายยังบุษราลงทุนกันทําเลยพอตายแล้วที่ทํามาหมดเนี่ยเอาเสนอหนึ่งก็ไปด้วยไม่ได้เห็นไหมก็ยังบุสราทํากันแต่สิ่งที่เราทํากันอยู่ถ้าเราทําได้เนี่ยมันแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเลย หุดจะวัตฏะสงสารเลยแล้วทําเล่นได้ไหมล่ะก็าบางครั้งอย่าเป็นแค่อุย้ยอะไรก็บ่นอะไรก็บ่นนะมันไม่ใช่เรื่องค้าขายไม่ต้องค้าขายกําไรเกินควรเราสร้างกรรมมาหลายชาติแล้วนะถ้าไม่ทําจริงๆเนี่ยมันไม่หลุดหรอกแต่อย่าอย่าท้อถอยนะเราก็สร้างบุญมาหลายชาติเหมือนกัน ถ้าไม่มีบุญมหาศาลเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ในร่างมนุษย์เปรศดแล้วไม่ได้เจอคําสอนเบี่ยงพระเจ้านะแล้วไม่ได้เจอไอแนวทางที่มันไม่มีแนวทางที่มันไปตรงๆเลยอย่างนี้แหละเรามีบุญมากมายอยู่แล้วอย่าประมาทตัวเองแต่ในขาดเดียวกันก็อย่าประมาทอย่าเลินเลอ่ออย่าชะล่าใจว่าฉันจะอยู่ยงคงกระพันเราไม่รู้หรอก นอนหลับปุ๊บมันไม่ตื่นมันก็ตายแล้วการตายไม่ยากนะไม่ได้ยากเลยนะไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งบางทีหายใจเข้ามันไม่ออกเฉยๆมันก็ตายแล้วมีอะไรมันง่ายกว่าความตายมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากนะเห็นไหมสองสามวันก่อนนี่ขับรถไปชนช้างปุ๊บช้างก็ตายคนก็ตายหกศพเลยเราอย่าประมาทนะเพราะชีวิตเราจะอยู่ยงคงกระพันเออเรเหยออยู่ตรงนั้นอ่ะนะ ประมาทมากผู้เจ้าบอกอย่าประมาทนะเราก็ทำหน้าที่เราทุกคนต้องมีสัมมาชีวะไม่ใช่ให้ทิ้งหน้าที่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในแปดแต่ตอนนี้สังเกตไหมเราให้เวลากับหนึ่งในแปดตัว น, นั้นกนะี่เปอร์เซนต์มากเกินไปหรือเปล่านะมักไม่ใช่เรื่องเดียวนะ เรื่องอาชีพเรื่องเดียวนะไม่ใช่เรื่องสติเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องสมาธิเรื่องเดียวนะมันต้องไปด้วยการกําลังมันถึงจะถึงนะมรรคผลนิพพานก็เที่ยวนี้ก็ดวงจิตหนึ่งเพิ่งกลับไปเมื่อวานก็บอกเพิ่งสว่างวันนี้เขาก็คิดตลอดว่าเอ๊เขาก็เบื่อทางโลกแต่เขายังทิ้งไม่ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะพร้อม เขบอกเขาจะฟังซีดีพ่อครูบอกว่าทางโลกก็ทางทำทางเดียวกันตายเหมือนกันเขาบอกเขาสว่างเลยก็ทําคู่กันไปมันไม่ได้แยกว่าต้องพร้อมก่อนต้องไม่พร้อมก่อนไม่มีพร้อมบิลเกตยังไม่พร้อมเลยใครพร้อมถ้าไปรอตรงนั้นมันพร้อมมันอันลิมิตมันไม่วันจบอย่ารอนะไม่มีเวลาไม่แต่หนึ่งนาทีทําคู่กันไปเราทํางานอาชีพไรก็ช่างก็เจริญมากได้ใช่ไหมอยู่ปัจจุบัน บางคนถามว่ากลับไปแล้วทํำยังไงอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าออกทํางานก็อยู่กับงานขับรถก็อยู่การขับรถไม่ใช่ขับไปด้วยฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยอันนั้นคอร์รัปชันหน้าที่ไม่ตั้งมั่นในหน้าที่ที่เราทําเราคอร์รัปชันเห็นไหมมีใครว่าไม่คอร์รัปชันทุกวันนี้ด่ากันคอร์รัปชันให้คูสอบอารมณ์ไหมไหมให้พระกูอสอบอารมณ์ไหม มีใครไม่คอร์รัปชันชีวิตตัวเองเราดีหรือยังเราไปว่าคนอื่นคอร์รัปชันคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะคอร์รัปชันหลักการคอร์รัปชันระบบคอร์รัปชันกฎหมายคอร์รัปชันเวลาตัวเองคอร์รัปชันคุณธรรมคอร์รัปชันหมดแหละแม้การปฏิบัติทรงมก็คือว่าการตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันอย่าคอร์รัปชันหน้าที่เรา ไม่ใช่เรื่องขโมยเงินอย่างเดียวนะคอร์รัปชันไม่ใช่เนี่แหละการปฏิบัติธรรมคืออยู่ปัจจุบันปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ใช่เป็นต้องเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องมานั่งเหวี่ยงอะไรเนี่ยแต่เวลาเรามีเหวี่ยงเนี่ยโอกาสว่าโอเคเราเข้าไปลึกหน่อยไปสะสามของเก่ามาด้วยแต่ชีวิตจริงเราเนี่ยโอเคระวังสร้างเกราะป้องกันอย่าเอาของของใหม่เข้ามาแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันปัจจุบันตลอดเนี่ยพลังสมาธิสติเราก็แข็งแข่งขึ้น มันก็เกิดปัญญาเรื่อยๆนะเห็นไหมเราระบายสีอยู่ก็ตั้งใจระบายร้อเไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเราผิดชอบอนาคตมากระบาย5 0าคิดด้วยระบายแล้วฉันจะไปทําอะไรพรุ่งนี้สีมันแห้งอนาคตคืออนาคตของเราพรุ่งนี้สีมันก็ได้50ซถ้าเราอย่าห่วงอนาคตมากเรามีความสุขกับการระบายสีนะโทโทอลี่ร0อก็คือนวั100นหนึ่งร้อนต์ถ้าสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้ปัญญาก็เกิดมาอู้มีความสุข ความสุขเพราะว่าอารมณ์แทรกไม่ได้ไม่มีความกรธหยิไ ม, ม่ความกังวลเลยพรุ่งนี้สีแห้งสวยร้อยเปอร์อย่าห่วงอนาคตมากอย่าห่วงทุกคนมีอนาคตอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนี่คือปฏิบัติธรรมนี่คือปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ไปเข้าค่ายฝึกสมาธิสติบอกปฏิบัติธรรมไปกดมันไวอันนั้นก็เป็นแค่วิชาฝึกสมาธิสติ ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสมถะกรรมฐานเพื่อสร้างกำลังเข้าให้เราเข้าสู่วิปัสนาให้เข้าไปในจิตได้จะได้ล้างขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปนั่งดูจิตนะไปดูเวทนาดูกายอันนั้นเป็นแค่สเต็ป บ, บ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตก็ดั้งดูมันดูจิตนะดูจิตนะันที่เขาดูจิตทุกวันนี่นะเขาก็เห็นอารมณ์ห ย, ยาบๆก็คือเวทนารู้ดูเท่าทานอารมณ์นั่นะดีไมดี แต่ถ้าอยู่ตรงนั้นน่ยมันไม่ก้าวหน้ามันไม่เกิดปัญญาเราไปส่งหน้าต่างบ้านหลังนี้ส่องดูข้างในมันเพื่อนก็ยังเปื่อนเหมือนเก่าไงกายในกายเวทนาจิตในจิตคําว่าเห็นจิตไม่ใช่ไปมองดูมันอย่างนี้เขาเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเกลีจิตให้ผ่องใสเข้าไปในบ้านเห็นไหมขอเปิดประตูบ้านได้แค่ครั้งเดียวต่อไปเราเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ถึงเวลาปุ๊บก็ไปล้างออกล้างออกล้างออกล้างออกล้างออก สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไอเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบมันหมดแล้วเราก็สงบตลอดการนี่คือมหาสติปัฏฐานอย่างแท้จริงทุกแห่งก็สอนมหาสติปัฏฐานโฆษณาด้วยมหาสติปัฏฐานตามพระไตรปิฎกพอตามไปดูเพ่งกายสร้างเวทนาแล้วก็ไปนั่งดูคือแยกส่วน ไปเรียนทีละสเต็ปมาใหม่ใช่ไหม A B C กอไก่ขอไข่พราะครูบอกนะตายก่อนกระแสกรรมมันไล่บี้เราอยู่อย่างงี้เราไม่มีเวลาไปฝึกวิชาะไรนั้นหลงป่าเนี่ยต้องหาทางเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุดไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นแต่เวลาเดินออกจากป่าต้องใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้สมาธิก็ขัดขาตัวเองลม้มไม่ใช้สติก็ชนต้นไม้ตกเหวตกบ่อ เจอเสือเจองูต้องใช้ปัญญานี่คือมรคจิตต้องเข้าไปในจิตเรียนรู้กับจิตเดิมเราอาจารย์เราอยู่ข้างในไม่ใช่ให้คนอื่นเขาสั่งเราทำโน่นทำนี่ทีละสเต็ปสเต็ บ, ะตบนะตอนที่กดมันไว้ก็สบายไงหนีเข้าไปอยู่ในฌานไงความคิดก็แทรกมาไม่ได้ไงแต่ออกมาก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อมันยังอยู่มันไม่ใช่มร์นะมร์ผลนิพานอย่าไปติดรูปแบบใดๆทั้งนั้น เราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อไม่มีเวลาไปเรียนวิชาใดๆทั้งนั้นที่นี่ไม่มีวิชานะเพราะูไม่ได้สอนอะไรทุกคนต้องหาเทคนิคตัวเองเดินมันเป็นนานาจิตตังแต่เรารู้ได้ยังไงว่าเทคนิคเราคืออะไรจิตเรารู้ต้องปลดปล่อยจิตปัจจุบันให้อิสระแล้วจิตเดิมเราเขาจะสอนจิตปัจจุบันเองว่าต้องทาแบบไหนเขาจะต่อยอดสิ่งที่เขามีอยู่ เขาจบปัญญาตีแล้วก็ให้เขาต่อโทรพี่จับเขามาเรียนอนุบาลทําไมตายก่อนไม่ทันนะก็ทุกคนชัดนะนะแล้วก็พก่อครูใช้เวลาพอสมควรที่จริงแล้ววันนี้ไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรเหมือนกันละมันก็เอาตัวรอดมาหมดอีกเสาหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวปฏิบัติสักหน่อยหนึ่งยืดเส้นยืดสายแล้วค่อยไปพักผ่อนก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล พร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาส่วนหนึ่งได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน